Na mo ตั้งนโมแล้วธิษณ่าจันทิวานโมเปวา Fò tà m'é xôn, noc buộc than thang lai In l'e chai l'ho phóng, nàng tìm xa quà Nhúng thang quà nhập phóng lượng Kha xé thăm bọn sĩ buồn khỏi chüên chú Trùng yên khỏi khăn hủ nòi mô ตั้งใจฟังไปให้ม่อมในลําพระเวท 13 กันแม่ใหญ่ Thế xa nai anh chờ chậm lương Giáp xăm nhàng còn lẹc là sẽ thăm nay lương Cũng như mứa nhá thì phăng Phải nhá nội thì เออดี้ฉันสิเว้าต่อ ที่ว่าบั้นต้นเรียกว่าทัศพรเด้อยมเด้อฟังทุกทุกงานตลอด นังไหน ยามสิกินสินอนบ่ยาก ก็ว่าต้องอยู่ตั้งวันทุนเทิงเนาวอยู่ทึงสวันฟ้าเป็นเวลารันยิง 카오 บุพาณิวิทว่านั่นดอกบอกเหตุชาวสวรรค์ให้อยู่ที่ลงมาดอกเกิด กะกะกะกะโอเป็นจังไดนังเอ <minutes> สวรรค์มหังไกลไร่วิงก็จัก pega oi Molly boy flug p oi oi mother of the good oi e e que te พอนที่นายประสงค์นั้นจึงขอพี่เธอคุณ ขอ 1 นำยามน้องไปเกิดกำเมืองมนุษย์ไกล ประดจจะผุ่นแปลงเอาย่าได้หมองเต้าขอดสามพระมู่คิวขั้นตะ้อยกําเกงก๊้งเป็นสีคงนองแมง้าําโลว่าลื่นคู เนั้นได้ได้ซื้อพุทธนิคอยนําทักกัน คนหมู่ประชาเจ้าวานอันนั้น ขอเบตนั้นอันว่าเจสาเซ็นให้ดำดีคือเก้าเปรียบดังเท่าอยู่นามอย่ามีเองแย่งได้ มีเวตาต่อขายดอกโปรดมูฟุงสาติมีละสีพระการทีนังดอกขอท่าน โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อนี่ล่ะพรทัศพรกันนี่ 19 ข่อยทาสสำพรว่ามาแล้วหิมะพานจันสิตอ กราบสมบัติก็มากล้นจนนางพระครั้งหลวงลอยปู่เมืองของดอกคงก็สร้างมา เออเผอเผอฮึฮึเผอคือคือเฒ่า ต่อมาได้ลูกน้อยนามนอโพธิศา ระเวทได้เป็นองค์ทรงนังนาวนาคลสร้างห้องท่านโนกลังดอกแกกท่านมมีคลัน กะโอ้ยคือกันอาจารย์นี่ลูก ย้อนกล่าวถึงเมืองกะลึงแม่นแคว้นดอกโกดอยาก พอเต็มมาหอดแล้ว เงินกะโลกทานยังสร้างให้แก่พระมหาเฒ่า เออพวกชาวเมืองทางค่ายไปย่อง เอ้าต่อจากนี้พี่สิจากนางหิวเป็นหน่วยสาว เลือใจอบสิทธิ์แยกเบิงหน้าเพราะผูดาควาเจ้อหําไห้นางในยูบรรายขั้นในภากคอยหัว เขาภายในไผที่คอยอุปถัมภ์เลี้ยงบ่ให้เคียงเมื่อยคันแนวใดอยู่ในป่าพร้อมไปด้วยมุตราที่คอยฮอดคอยเฮียนดอกดำส่นคน เข้าไปโรงแดนท้องดอกของเขตวง ฉันก็จึงได้เบาดอกอดโดยออกไปมานางว่าสิทุนตูเพียทธนานำบาย นี่ล่ะแม่ใหญ่เรียกว่ากันนี่ได้แม่ใหญ่จัดกลางมาพอนี่ 2 ก้อนดอกลวกลวงมาไว้ต่อสิได้เทศนาดอกตกแต่งเพิ่นมาหาพิมพ์ผ้าไหว้มันแกงแกงกนในแลสิสมมุติว่าในแม่พุทธะ ข่อยฟังข่อยฟังเอาดอกกันนี่ฐานะกันดอกคั่นแกงคุณอยู่มื้อแบ่งกันไว้จังปีตะวันข่อย นามะโทรัตนาเตยัสานํอภิวรรธนา เบื้องหน้าต่อแต่นี้สิสืบต่อคำก่อนเวทสนรอร์ชะโรคโญกนิธานจาสนทดสะพนกระจบถวรหิมมาพันกระเกี่ยงลินจานคำปิ้นเทศแล้ว ธาระกรรมสิเก้าตาลนิทันภาคภูจิสารประพย์เนี้ยของวาดภาคอิสารเริ่มข่าวฉันพิมพาสิจาว ตอนนี้นั่นพุทธรีรู้แจ้งปะลม เวสนร้อนวานีคุณเก็นกระทําทานสั่งเหล่ามีคุณผ่านแล้วก็กําทําไห้คุ้งบตายสั่งสิดัยพาข้างเจ้าห้ามห้างแล้วกข้างวัง Suốt sàn chạy, chắc men viết nièm còn Viết nièm té phàm con, cháu khai lập cười nốt Dù bồn phà sạt quăng, sàn hùm hùm chén quay Thuốc tua bàn, khảo nhó giọt sàn sàn cắm mươi Cháu xe đường càng phai, phạt là khót Nhà si fai thun chàu, crùng sùn cháy lóng bương Bàng thí la thốt hay, nhắn si đầy năng m'a con Tòa năng, phút sàdì fai ôn hoài Lái thí bò tiếng tòa, khó ngột thốt lục vây Sà dai cà บุษณีจึงกับเจ้าลูกมาจากขอป่างจากกับลุ่งนังข้าดแม่มัสิทังสะเอินสุดที่เกื้นลูกได้ นานพอถึงวันที่จันดาลเดือน ว่าเจ้าอย่ามี Bú ơi, luộc ni vô bò đầy Si tàm quân lục pháu qua Có hai bú nhà đầy lục tùm phay Nay là con Phăn phí nay sống sàn Cây già miếng thấm hòn Dùn cháy khó làn hòi Con là con thén bú Mà si nhỏ nhục niu Nay ôn hoài kram บอกคอยอยู่ของนาคตรยานมันเพฟภังสาบอกถูกใจพระองค์ท่านโอ้ปูเอ้ย ตนใสเจ้าน้ำยาวยาวๆ น้อยก็ลงจากขั้นไปลาแม่ อุสสรีจุนวัดเกิร์ขนิงลูก เก็บน้ำแก้วกันหาชาลีลาดกาด Mà l'iói จนว่าเคยคะนิง เจ้าสิตายในด่านดาวคราวนี้ สดีน้ำนามทะไล่ลังยอยนอกเป็นปุ้มเจ้าเยาลูกอุทสดีน้ำตามห่วงกะน้ำสุมทางล่านหอดมือเศราเบสตรรรดกับน้างค้านเจรดยุนที่มา มีคนหลายหมู่บ้านเต็มหลัดประสุงขอพระองค์ยอธรรมทานบ่อยยังเหลือข้างอาจฉันให้มารักเงินตาเพ้ยพอร์หลดและละบร้ายข้างประท่านให้คู่สุนเอวจังวะในตอนนี้ ทานะกรรมจบลงก็แต่พอเพียง มาใหม่ลุงพันต้นดอกใหม่กะ พุทธสารคุณสอนอาชนายหมู่มากก็ทั้งพร้อม ตัวหน้อยชามีปรามที่เปล่งเทียวมติคุม เจ้าจงอดทนอย่าไรเพลินทาง แต่ควรเน้าอยู่ยังสเมยราชเป็นกระจาตร์เจ้าลิฮาโพ้ย ละเวทเบาตะนองวอมวอมปะลมขวางข้าวเมื่อพ้อยเวียงวังให้บังกันกะเดือนองบูนปะละนำป่องคงที่ขึ้นละคนเร็จ S'n'n'n'xinja de prà-tom-so-quam-súm Ka-bó-quan-tàm-húa ka-dung-ma-pà-ni-m S'y-và-jí-ri-quo-ng-quo-ng-prà-cha-văn-lőn-ngyà Pà-thác-vau-choi-choi Pà-thác-vau-choi-choi หลังนั้นเป็นลือดูแล้งฟ้าไหมคงสิลองแลงดอกยง กายไปแล้วเลี้ยวคืนมืดจุงคุมเห็นแต่ฟ้าห่อ són vos nòi, คนเพียงไปแลมากหวานแลแล้วนั่นแนวเอาเค้า ดึงมาน้ำมอกน้อยนั่นนําหัว ว่ามีเก็บประทนไทยมาพี่ทั้งองค์กระจานซื้อว่าพูยไปสังกระโมมีมากลายเห็น ฟ้าไทยแสงขึ้นโบราฟ้าฟ้าใหม่อาทิตย์ไส ดวงฮอดท่อนประมุขกรณีบุตรจรินทร์สัตติ เหลียวเห็นตาลาเหล่ามุ่งนี้ติดประกาศเวชสันดรรู้เรื่อง สิสัญญาไว้ให้นางจำจนจนโรคนางเอ้ยกัง กูสวนนั่นน่ะนา <laughs> กันถึงปกตินั้นนั่นในเข้าป่าหาหัวมัน โอ๋ส้างอย่างลูกน้อย 寬俗庫 ของนัวเล่ายาโก้ยฟังแหนต่อลือ เลื่องกันไปเป็นข้อคอให้ยุงฟังคือกันว่าเสียง อายี ว่าบัดนี้ย้อนก้าวเกี่ยวฉันที่ว่าตามประวัติพ่อ มารหน่อมใจคู่ให้ตั้งต่อองค์สัมมานาคุณพ่อเฮายังแต่ต่อแต่ดันฉันก็สิได้เว้าต่อไปดอกกันไปเอาวันใดว่าสิแม่ใหญ่เอา <di tightening en lớ> เออฟังไงนี่ fàng khɔ tɔn thæn hîi fàng khɔ pai fàng khɔ tɔ ní kham จังหวะเริ่มจากนี้ฉันสิต่อกันคู่สบสมมติก็เป็นธรรมดอกเกี่ยว จาละไหนถึงเท่าอีตาภรรมลงมาเกิดตลดถึงทันเท่าไปขอหน่อยนาจทะแพ้งในหนังศือว่าแก่ง วันว่ากินผักบุงเบิด 7 ทาบกับบุงหูพะนาแม่ใหญ่กินปลาทูมา 7 สามลาก วันที่แก หมอหมอมีแก่เป็นคนแถลงบ้านอัตถาพันผิด เช่นๆเออเข้าใส่เสื้อให้ <c oughs> เออแก่ไร้เกิดเที่ยวหนบ่มี แกไก่วนเที่ยวเห็นไว้คิดไป เออเกี่ยวไซซายไปหมดเจี้ยงบ่มีเงินที่คังไท้หารได้ก็บ่ได้ก็เลยภัยใส่ลูกสาวครอบว่าๆ เอออันนี้ใจของพราหมณ์นี่แท้บ่หิวแปไปทางใดแม่นบ่มีเงินคําก็สั่งคําตัวเจ้าว่าแถวนั้นแกว่า มันไปไฟเกล้าตากันดอกไฟได้หัน ย่อมพ่อปั่นได้